หนังสือในสำนักท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์คงจะมีเหตุผลคนใดสักอย่างจึงยอมรับนับถือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรญาณ น, นวรโรรสเป็นกรณีพิเศษแบบแผนขนบรทมเนียมบวชสวดพระปริษและปาฐ ะ, ะต่างๆรวมทั้งพระราชนิพนธ์พระนิพนธ์ของทั้งสองพระองค์นี้ ไม่ว่าจะเป็นปาถะและคาถาต่างๆท่านจำได้หมดทั้งบาลีทั้งแปล ى. อธิบายสลับกับพระธรรมเทศนาได้อย่างละเอียดลึกซึ้งจะเป็นโมคุ ป, ปายะคาถาและจตุรารัขากัมมฐานก็ดีนะับเป็นธรรมเทศนาประจำทีเดียวรวมทั้งขนบธรรมเนียมต่างๆท่านมักอ้างเสมอว่าแบบพระจอมแบบพระจอมทานองนี้แหล ด้วยเหตุนี้ท่านจึงมีกฎบังคับไว้ว่าผู้จะอยู่ศึกษากับท่านพระอาจารย์ทั้งสองต้องท่องนวโกวาเจ็ดตำนานส2องตำนานและปาติโมกให้ได้อย่างช้าให้เวลาสามปีถ้าไม่ได้ไม่ให้อยู่ร่วมสำนักส่วนหนังสืออ่านประกอบนั้นวินัยมุกเล่มหนึ่งสองสาและพุทธประวัติเล่มหนึ่งสองสาท่านว่า หากได้อย่างว่าจะอยู่ในศาสนาก็พอจะรักษาตัวได้ถึงจะไม่ได้ศึกษามากก็รักษาตนคุ้มแล้วตัวอย่างเช่นพระอาจารย์กงมาจิรปุญโญเป็นพระมหานิกายมาขอศึกษาข้อปฏิบัติและขอยัติกรรมเป็นพระธรรมยุทธท่านว่าให้ท่องปฏิโมกให้ได้จึงจะยัติให้ ท่านอาจารย์โกงมาอ่านหนังสือไม่ออกเพราะไม่ได้เข้าโรงเรียนจึงเรียนปาฏิโมกปากต่อปากคำต่อคำและหัดอ่านพร้อมกันไปด้วยใช้เวลาถึงสามปีจึงสวดได้และอ่านหนังสือออกจึงได้มายติที่วัดบูรพาจังหวัดอุบลราชธานีโดยท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเทระหนูทิตตากปัญโยเป็นพระอุปชา เมื่อวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2471รูปที่สองคือพระอาจารย์ชอบฐานะสโมท่านท่องปาติโมกข์ปีจึงสวดได้และอีกรูปหนึ่งคือพระอาจารย์คำพองติดโสก็อ่านหนังสือไม่ออกเพราะไม่ได้เข้าเรียนแต่ธรรมเทศนาของท่านไพเราะขนาดไหน ผู้เล่าเคยอยู่ด้วยกันกับท่านที่วัดป่าบ้านหนองผือท่านทั้งสามรูปนี้เป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งผู้เล่าขอถวายนามว่าวีรบุรุษเหมือนครั้งพุทธกาลพระจักคู่บาลเป็นวีรบุรุษในยุคนั้นแม้ในเรื่องมังสวิรัตสิบอย่างคือเนื้อสิบชนิดที่ทรงห้ามฉัน ท่านตรอาจารย์กล่าวว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงห้ามท่านอธิบายให้ฟังว่าเนื้อมนุษย์ไม่เป็นค่านิยมผู้รู้ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงตีเตียนเพราะความเป็นมนุษย์มีค่ามากเกิดกินกันขึ้นมหันตภัยก็เกิดขึ้นแก่โลกไม่สิ้นสุดสัตว์นอกจากนี้เป็นสัตว์อันตรายสมัยก่อนมีมาก ออกทุ ด, ดงบริโภคเนื้อสัตว์อันตรายเหล่านี้กลิ่นของสัตว์จะออกจากร่างกายของผู้บริโภคเช่นฉันเนื้องูกลิ่นงูก็ออกงูได้กลิ่นก็จะเลื้อยมาหานึกว่าพวกเดียวกันพอมาถึงไม่ใช่พวกเดียวกันก็ฉกกัดเอาเป็นอันตรายจึงแก่ชีวิตตั้งใจเจริญสมณธรรมเลยไม่ได้อะไรตายเสก่อนพระพุทธเจ้าจึงทรงห้าม